ปัญหาของพวกเราอยู่ที่ใจปัญหาใหญ่คือใจปัญหารองมาก็คือร่างกายร่างกายนี้ถึงแม้จะเป็นปัญหาก็ไม่สำคัญเพราะว่ามันเป็นปัญหาชั่วคราวเดี๋ยวมันตายไปปัญหามันก็หมดไปพอไม่มีร่างกายแล้วปัญหาเกี่ยวกับร่างกายก็ไม่มีไม่มีปัญหา ไม่ต้องหาข้าวให้มันกินไม่ต้องหายาให้มันกินไม่ต้องหาบ้านให้มันอยู่ไม่ต้องหาเสื้อผ้าให้มันใส่แต่ใจนี่มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่มันอยู่อยู่อยู่ต่อปัญหาของใจก็ไม่หมดไปกับปัญหาของร่างกายร่างกายตายไปปัญญา ปัญหาของใจก็อยู่ต่อใจก็ยังชุกทุกต่อไปใจก็ยังร้องห่มร้องอ้ายเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก, กระสับกระส่ายวิตกกังวลแล้วก็ไม่แล้วเราก็ยังไม่เข็ดพอปัญหาร่างกายตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาให้มาเป็นปัญหาใหม่ ไ้เกิดใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็เจอปัญหาเรื่องปากเรื่องทองนะพอมีร่างกายก็ต้องหาข้าวให้มันกินเองหาเสื้อผ้าให้มันใส่หายาให้มันกินหาบ้านให้มันอยู่แล้วก็ต้องมาคอยเลี้ยงมันดูแลมันปกป้องรักษามันทุกข์กับมันไปตั้งแต่มันเกิดมาจนถึงวันตายก็ ร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกการเกิดของร่างกายนี้เป็นทุ ก, ท ก, ก, กขกก์แล้วพอมันแก่ก็ยิ่งทุกข์ขึ้นใหญ่ทุกข์สองเท่าแล้วตอนต้นก็ทุกข์เท่าเดียวทุกข์กับการหาปากหาหากินหาอยู่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วพอมันไม่สบายก็ทุกข์อีกสองทุกข์ซ้ำสองเวลาแก่ก็ ทุกข์นี่เวลาตายก็ทุกข์อีกแต่ผู้ที่ทุกข์นี่คือใครไม่ใช่ร่างกายอใจนี่แหละคือผู้ทุกข์ใจเป็นผู้ที่มามีร่างกายมามีรถยนต์คันหนึ่งร่างกายเปรียบเหมือนกับรถยนต์คนที่ไม่มีรถยนต์นี่ก็ไม่ต้องทุกข์กับรถยนต์นะไม่ต้องไปซื้อประกันไม่ต้องไป ซื้อน้ำมันเติมให้มันไม่ต้องส่งเข้าคาแครให้มันทําความสะอาดชาระมันมีประโยชน์เพียงแต่พาให้เราไปไหนมาไหนได้ทั้งนี้แต่ถ้าเราไม่ต้องไปไหนมาไหนก็ไม่มีรถดีกว่าเห็นไหมเนี่ยเป็นพระเนี่ยพระสมัยก่อนท่านก็ไม่มีรถท่านไปไหนมาไหนท่านก็ใช้รถของท่านก็คือร่างกายเนี่ย ทำไมน้องปู่ม่นนี่ท่านไปไหนมาไหนท่านทุดดงกันน้องปู่ม่นท่านอยู่เชียงใหม่พระลูกศิษย์ท่านนี่อยู่แถวโอบุล อ, ดอุดรสกลนะครเขาก็เดินเดินทุดดงกันไปเดินไปค่าที่ไหนก็นอนที่นั่นเช้าก็บิณทบาทกับชาวบ้านแถวนั้นบินทบาทเสร็จฉันเสร็จก็เดินทุดดงต่อไปเดินไปเพื่อไป กาบหลงวงปู่มั่นเพื่อไปฟังท้ายฟังธรรมไปศึกษาธรรมกับท่านท่านก็ไม่ต้องใช้รถยนต์แต่ใช้เวลาหน่อยก็จะไปถึงจากกรุดอนไปเชียงใหม่อาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เดินไปข้างไปเดินได้วันลาสิบกิโลยี่สิบกิโลก็ไม่ต้องมีรถยนต์มันก็ไม่ต้องมีภาระกับรถยนต์ มีอะไรแล้วมันต้องมีภาระกับมันใจนี่แหละเป็นผู้ไปมีเพราะใจมันอยู่คนเดียวไม่เป็นอยู่กับการไม่มีไม่เป็นต้องอยู่กับการมีมีรถมีคนนั้นมีมีร่างกายพอมีร่างกายก็ต้องมีเยอะแยะตามมาขั้นต้นก็ต้องมีปัจจัยสี่ พอมีร่างกายแล้วก็ต้องมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีอาหารพอมีแล้วทีนี้ก็อยากจะมีเพิ่มขึ้นมามีของแถมพอมีปัจจัยสี่แล้วทีนี้ก็อยากจะได้ของแถมของเล่นมีแฟนมีสามีมีภรรยาแล้วก็มีลูก แล้วก็มากังวลมาทุกกับสามีกับภรรยากับลูกเรามีสามีมีภรรยามีลูกแล้วก็ต้องมีเงินแล้วสิมีเงินไปเที่ยวกันเดี๋ยวต้องพาครอบครัวไปเ ท, วทเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่เนี่ยสารพัด ส, สารเพมีเรื่องที่จะทําให้ต้องไปหาอะไรมาอยู่เรื่อยๆ พอหาไม่ได้ก็หงุดหงิดนำคาญใจถ้าไม่มีเงินไปเที่ยวนี่ก็อยู่บ้านก็เบื่อกันนั่งหงิดนั่งงอกันแต่พอมีเงินพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ทุกคนก็ยิ้มแป้ น, ย, ปนยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีกันนี่คือเรื่องของใจที่ไปมีอะไรต่างๆ เพราะไม่รู้ว่าการมีอะไรต่างๆนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นปัญหามันเป็นเรื่องขึ้นมามีอะไรแล้วมันก็จะต้องมีปัญหากับสิ่งที่เรามีเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปถ้าไม่มีมันก็ไม่ต้องมีปัญหากับมันเป็นรถยนต์นี้ถ้าเราไม่มีมเราก็ไม่ต้องมีกังวลกับมัน จอดรถก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาขาโมยไปหรือเปล่านีแต่ถ้าไม่มีรถแล้วมันก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องรถไม่ต้องหาเงินมาเติมน้ำมันรถไม่ต้องซ่อมรถไม่ต้องเปลี่ยนยางไม่ต้องเปลี่ยนอะไรต่างๆไม่ต้องพาเขาอู่ซ่อมบำรุงรักษาการที่ไม่มีรถกับการมี ถ้ามองด้วยความจริงแล้วการไม่มีมันดีกว่าเพราะมันก็ไม่มีภาระไม่มีอะไรที่จะต้องมาดูแลรักษาแล้วดูแลรักษายัางไงเดี๋ยวมันก็พังของทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องพังไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นข้าวของต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยที่เราใช้กันอยู่เนี้ย โทรศัพท์มือถือเนี่ยที่ใช้ถ่ายทอดสดนี่เดี๋ยวใช้ไปสักพักมันก็พังเดี๋ยวก็มีปัญหาเห็นไหมเราเลยต้องคอยเปลี่ยนอยู่ด้วยเดี๋ยวสายไม้เสียเดี๋ยวตัวไมโครโฟนเสียมีแต่ของที่จะต้องเสียทั้งนั้นนี่คือ เรื่องของความทุกข์เรื่องของปัญหาที่ใจเราไปกว้านเข้ามาเองไม่รู้จักอยู่แบบไม่มีอะไรถ้าอยู่แบบไม่มีอะไรได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีร่างกายได้นิสายไปเยอะเลยไม่ต้องมาคอยหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอมีร่างกายตอนเช้าก็ต้องออกบินทบาตนะ ก่อนจะออกเป็นสบายอาจจะต้องเข้าห้องน้ำขับถ่ายก่อนอีกแล้วก็ไปไปเติมอาหารก็มาอีกแล้วก็ต้องคอยดื่มน้ำหอยหายใจแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดสถานที่ที่เราใช้ในการรับประทานอาหาราล้างบาตรล้างอะไรแค่ไม่กี่วันมันก็เหงาเหมือนเดิม เบื่อเหมือนเดิมเพราะเราไม่รู้จักวิธีอยู่แบบไม่เบื่อกันเราไม่รู้ว่าความเบื่อมันเกิดจากอะไรไม่เคยถามตัวเองทํำไมต้องเบื่อทําไมอยู่บ้านแล้วทำไมต้องเบื่ อ, อบ้านใ น, น, น, นแสนจะดีดีกว่าที่เราไปเที่ยวไปเที่ยวไปอยู่โรงแรมเนี่ยอยู่โรงแรมนอนบางทีก็นอนไม่หลับมันไม่เคยชินอาหาร ที่ไปกินบางทีก็ไม่อร่อยมันอยู่ที่บ้านแต่ก็อยู่บ้านไม่ได้พออยู่แล้วเบือ่อทําไมต้องเบือ่อมันมีอะไรน่าเบือ่อถ้าเบื่อแล้วสร้างบ้านทําไมก็อย่าไปสร้างมันเลยความเบื่อมันเกิดจากความอยากอยากไปไหนมาไหนมันก็เลยทําให้การไม่ได้ไปไหนมาไหนมันน่าเบื่อทนั้นเอง ถ้าลองหยุดความอยากไปไหนมาไหนได้แล้วจะไม่เบื่ออยู่ที่ไหนจะไม่น่ามไม่มีความเบื่อเพราะเบื่อไม่ได้อยู่ที่สถานที่อนไ้นมันอยู่ที่ใจของเราใจเราเบื่อกับสถานที่แต่ yeah, พอเราไปสักพักหนึ่งก็อยากจะกลับมากับที่เราเบื่อแล้วพอไปเที่ยวสักพักหนึ่งก็อยากจะกลับบ้านอีกแล้วที่ีบ้านไม่น่าเบื่อแล้วนะอยากจะกลับบ้านที่เที่ยวกับเบื่อแนละ้วอนม มันอยู่ที่ไหนมันก็เบื่อทั้งั้นอ่ะพอมันอะไรจำเจขึ้นมาสักหน่อยเห็นซ้ำซ้ำซากๆากอยู่สักพักมันก็เบื่ออย่างไอาหารที่เราชอบกินจานเด็ดขนาดไหนอร่อยขนาดไหนลองให้กินสักเดือนหนึ่งเลยกินทุกวันเดี๋ยมันก็เบื่อกินไม่ลงนี่ไงความเบื่อคือใจมันชอบของแปลกใหม่ๆเรื่อยๆมันชอบเปลี่ยนมันไม่ชอบของจำเจของซ้ําก พอต้องอยู่กับของจำเจซ้ำๆแล้วมันก็เบื่อมันก็เลยต้องไปเปลี่ยนอยู่บ้านก็ต้องไปเปลี่ยนต้องออกไปนอกบ้านทำงานอยู่บ้านห้นาวันสาวเทนนี้ต้องออกไปละํามจริงวันทุกวันก็ออกถ้าให้อยู่บ้านทุกวันก็เบื่อเหมือนกันอย่างน้อยยังมีมีข้ออ้างออกไปทำงานไปหาเงินหาทองบ้านก็เลยไม่ค่อยได้อยู่กัน อยู่พอไว้สําหรับนอนท่านนี่พอตื่นก็ออกอยู่ไม่ติดบ้านเพราะใจมันอยากออกแต่ถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของความเบื่อของความทุกข์ของเราเกิดจากการเกิดจากความอยากอยากไปนู่นอยากมานี่เราลองมาหยุดความอยากกันดูดูซิว่าหยุดแนละ้วมันจะเป็นยังไงแต่เราไม่เคยหยุดกัน เพเวลาจะหยุดมันมันมันทรมานเวลาอยากไปแล้วมันดิ้นมันทรมานถ้าไม่ได้ไปนี่มันดิ้นมันมันจะตายให้ได้เนี่ยมันเลยต้องไปอพราอมันอยู่บ้านแล้วมันเบื่อพอมันอยากจะไปแล้วมันอยู่ไม่ได้แต่พอมันไปแล้วมันอยากจะกลับนะทีนี้กลับมาบ้านไม่เบื่อแล้ว พอได้ออกไปแล้วทีนี้พอกลับมาบ้านไม่เบื่อแต่พออยู่บ้านเนี่ยพอไม่ได้ออกก็เบื่อง น, นเราลองทดลองมาหยุดความอยากกันดีกว่าความอยากนี้หยุดได้ด้วยการหยุดความคิดเพราะความคิดนี้เป็นตัวเริ่มต้นก่อนที่เราจะอยากเราต้องคิดก่อนคิดว่าวันนี้จะไปไหนดีนะพอคิดว่าจะไปไหนดีก็อยากไปนู่นมานี้ขึ้นมาทันที พออยากแล้วที่ก็ตองไปนะแต่ถ้าเราไม่คิดได้หยุดคิดได้ให้มันอยู่เฉยๆไม่ต้องคิดความอยากมันก็จะไม่เกิดแล้วมันจะอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่รู้สึกเบื่ออยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็จะไม่เบื่อดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ามีของหรือไม่มี หาอยู่ที่มีความอยากหรือไม่มีความอยาก <är> s. <S ถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะสบายใจจะไม่เบือ่อ mm. อยู่ที่ไหนก็ไม่เบือ่อ mm. อยู่กับใครก็ไม่เบือ่อ mm. มีอะไรก็ไม่เบือ่อไม่มีอะไรก็ไม่เบือ่อ mm. mm. มาลองมาทําใจกันดีกว่ามาหยุดความอยากของใจกันดีกว่าวิธีจะหยุดความอยากของใจก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ เพราะความคิดเป็นตัวนําพอคิดถึงขนมก็อยากกินงั้นมาก็มีวิธีคิดที่ทําให้ไม่อยากกินคิดถึงขนมที่มันออกมาจากก้น <c oughs> <c oughs> พอนึกถึงขนมที่มันออกมาจากลาไส้เนี่ยมันก็ไม่อยากกินหรือเวลาที่มันอาเจียนออกมาเนี่ยกินแล้วเกิดอาเจียนออกมาเนี่ยขนมขนมที่เรากินเข้าไป อร่อยขนาดไหนให้กลับกินกลับเข้าไปใหม่ก็ไม่เอานะในขนาดอยู่ในท้องไม่ไม่เป็นไรอย่าเอามาก็แล้วกันเอามาเรากลับเข้าไปไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในท้องนี่อยู่ได้ตอนนี้อาหารที่กินไปเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้อยู่ในท้องได้ไม่เป็นไรอต่างนีวถ้าอาเจียนออกมาเนี่ยเอากลับไปไม่ได้นึกถ่ายออกมาเนี่ก็เอากลับไปไม่ได้นะ นี่ก็คือวิธีแก้ความอยากกินเวลาอยากกินอะไรอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานนึกถึงอาหารที่อยู่ในปากที่มันเคี้ยวก็สมกับน้ําลายและอยู่ในท้องที่มันกําลังย่อยอยู่อยู่ในลําไส้ที่ถ่ายออกมาเนี่ก็เป็นอาหารนั่งนั้นอ่ะถ้าไม่มีอาหารมันจะมีอุจจาระได้ไหมเราไม่เชื่อเราอยากกินอาหารนักเดือนดูสิทำลองยังไม่ต้องถ่ายะ เมื่อเดือนอธิษฐานของเก่าที่มีอยู่มันก็ถ่ายออกมาหมดแล้วนี่ก็จะไม่มีไม่มีอยู่จะระถ่ายขอกมาแะก็มีวิธีคิดวิธีคิดคิดที่จะทำให้หายอยากไนดะ้ทุกอย่างที่เราอยากได้มันมีมันมีมุมกลับมันมุมมุมที่จะทำให้เราไม่อยากฉันอยากได้อะไรคิดถึงเวลาได้มันเล่าเสียไป ได้ของมาแล้วเกิดเสียของนั้นไปแล้วเป็นยังไงเวลาได้มาก็ดีใจเวลาเสียไปก็เสียใจเห็นถ้ารู้ว่าเราสิ่งใดที่เราได้มาเราต้องเสียมันไปวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็จะทำให้เราไม่อยากได้นอกจากเสียแล้วยังต้องมาทุกข์กับมันมาเป็นภาระกับมันอีกเช่นรถยนที่เมื่อกี้พูดถึง ถ้าไม่มีรถยนต์อย่าไปมีหยุดความอยากไปไหนมาไหนดีกว่าถ้ามีความจะเป็นจะต้องไปก็ใช้รถแท็กซี่รถบัสรถอะไรไปภาระมันน้อยกว่าอย่างมากก็เสียค่าเช่าวันเดียวให้จบไม่ต้องซื้อรถมาทั้งคันแล้วแต่ต้องมาคอยดูแลรักษาแล้วต้องขับเองอีกเหนื่อยเช้ารถมามีคนขับให้สบาย วิธีที่ดีที่สพยายามหยุดความอยากไปไหนมาไหนเสียถ้าจะไปมันต้องจำเป็นจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่ไปแล้วจะตายอ่ต้องไปเนถึงไม่ถึงเวลาต้องไปหาอาหารมากินอย่างี้บ้านอาหารในบ้านไม่มีแล้วหมดแล้วต้องไปตลาดต้องไปซื้ออาหารมาก็ไปสักขนหนึ่งแต่ถ้าไม่มีความจาเป็นก็อย่าไปอาจอยู่กับบ้านให้ติดอยู่ติดบ้านได้แล้วจะสบาย จะติดอยู่ติดบ้านได้ก็ต้องหยุดความอยากวิธีจะหยุดความอยากก็ต้องมาหยุดที่ความคิดเอดี๋ยวคิดว่าออกไปแล้วเหนื่อยออกไปข้างนอกแต่ละครั้งนี่เหนื่อยนั่งรถไปก็ติดในบุญท้องถนนแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอคนขับรถปาดหน้าปาดหลังเอก็เกิดอารมณ์เสียกันขึ้นมาอีกอยู่บ้านแสนจะสบายอยู่ไม่ได้ ต้องคิดมุมกับคิดว่าออกไปแล้วจะต้องเจออะไรบ้างดีไม่ดีก็จะอุบัติเหตุบางทีก็ถึงตายขี่มอเตอรไ์ไซค์พาดไปโดนรถเขา้าชนก็ล้มก็ตายได้นนท์ยนก็เหมือนกันถ้าวิ่งเร็วๆบนท้องถนนเดี๋ยวมันก็พลิกคว่ำได้ชนกันตายไดอ้อยู่บ้านปลอดภัยกว่า ถ้าคิดอย่างนี้บางทีมันก็จะทำให้ไม่อยากจะออกนี่คือวิธีคิดในมุมกับว่าทำไปแล้วมันมันจะได้ปัญหามามากกว่าได้ประโยชน์ประโยชน์ที่ได้มันสู้กับปัญหาไม่ได้ปัญหามันมากกว่าทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราหนัก อ, อกหนักใจไม่สบายใจ แต่ถ้าคิดไม่เป็นก็หยุดความคิดซะก่อนหยุดความคิดนี้มันง่ายกว่าคิดมุมกลับ <c oughs> หยุดความคิดก็คือหาความคิดอันใดมาหยุดความคิดความคิดที่ไม่มีความหมายเช่นคำว่าพุทโธพุทโธนี้มันไม่มีคาหมายเราคิดพุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนีเงงน้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ พอไม่คิดมันก็จะไม่อยากต้องขยันตอนตอนเริ่มต้นนี้ต้องขยันพุทธโธให้มากๆเพราะใจเรามันขยันคิดตลอดเวลามันคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาน่ะพอตื่นขึ้นมามันก็เริ่มคิดละคิดถึงนร่อ น, นั้นคิดถึงเรื่ น, นี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เดี๋ยวก็อยากอ่ะเั้นช่วงเริ่มต้นนี้ต้องขยันพุทธโธ พลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปทำพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปมีอะไรต้องทําก็ทําไปแต่อย่าคิดนอกจากว่ามันจําเป็นต้องคิดจริงๆก็คิดคิดได้แต่คิดเฉพาะกิจคิดเฉพาะกับงานที่เราต้องทําพอเสร็ ธุรกรรมที่เราต้องทําแล้วก็อย่าไปคิดอย่าไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงอใครที่ไม่ได้อยู่ที่ที่ตรงนี้ปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไปเราก็อยู่ของเราไปอคิดแล้วเดี๋ยวก็ห่วงแล้เดี๋ยวก็กังวนละให้เป็นอะไรหรือเปล่าถ้าไม่คิดมันก็ไม่ห่วงไม่กังวลไม่อยา ความห่วงความกังวลมันก็มาจากความอยากเนี่ยอยากให้เขาปลอดภัยอยากให้อยากให้อยากให้เขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแต่พอคิดไปว่าโอ้เขาไปทำนู่นทำนี่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่ามันก็เกิดความห่วงใหญ่ขึ้นมาอีง<ม>นั้นหยุดความคิดกันดีกว่าหยุดความคิดได้แล้วจะอยู่เฉยๆได้ถ้าจะคิดก็ให้คิดว่า ของทุกอย่างคนทุกคนที่เรารู้จักนี่เป็นเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันหมดแล่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นพ่อเป็นแม่ปุ่นเปย่าตายายเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นพีดาเดี๋ยวก็จากกันหมดแล้วอีกร้อยปีนึงอีกร้อยปีพวกเราที่อยู่ที่นี่หายกันไปหมดแล้ว ไม่มีใครอยู่เหลือสักคนไม่ถึงร้อยปีห้าสิบปีนี้ก็ไม่รู้จะเหลือกันสักกี่คนเราเนะี่ยเราไปแน่แน่ห้าสิบปีเราไม่อยู่แล้วลอง <c oughs> คิดแบบนี้มั่แล้วมันก็จะได้ไม่ต้องห่วงใครไม่ต้องไปกังวลกับใครเพราะตายกันหมดห่วงยังไงกังวลยังไงก็ตายกันหมดเราไม่ยอมคิดถึงความตายกันเพราะเรากลัวว่าเหมือนจะมาสาบแช่ง พาคิดถึงความตายแล้วความตายมันจะมาหาเราทันทีมันไม่มาหรอกถ้าความคิดเราวิเศษขนาดนั้นก็คิดอย่างอื่นสิคิดให้มันไม่ตายก็ได้ถ้าคิดให้มันตายได้เราก็ต้องคิดให้มันไม่ตายได้ถ้าความคิดของเราศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมมันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกความคิดของเราไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้ความแก่ความเจ็บความตายเกิดขึ้นความแก่ความเจ็บความตายมันก็มีเหตุของมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่อยู่ไปนานๆเข้ามันก็แก่ ส่วนการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีหลายสาเหตุไปติดเชื้อก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้คนเป็นหวัดไปอยู่ใกล้เขาเดี๋ยวก็เอาเชื้อหวัดเข้ามาก็เป็นหวัดได้ถ้าไม่ติดเชื้อก็มันก็เจ็บเพราะมันเสื่อมเดี๋ยวร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้มันก็เสื่อมเหมือนรถยนต์เหมือนยางรถยนต์วิ่งไปนานๆเข้ามันก็ยางก็แตกร่างกายเราใช้มันไปนานๆเข้าเดี๋ยวมันก็ เสื่อมอเดี๋ยวก็หัวใจก็เดี๋ยวหัวใจก็มีปัญหาปอดก็มีปัญหาตับก็มีปัญหาตก็มีปัญหาไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้เต็มที่เพราะมันเสื่อมเพราะมันเก่าถึงต้องมีการเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนไตเปลี่ยนหัวใจกันเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวมันก็เสื่อมอีกใช้ไปได้ชท่วงคาวเดี๋ยวมันก็เสื่อมอีก แอนยอมรับความจริงเถอะว่ากังวลหรือไม่กังวลไงเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนยอมรับความจริงแล้วใจจะสบายถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้คิดตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะไม่คิดมากไม่กังวลมากไม่ห่วงมากไม่ห่วงมากไม่ทุกมากรู้ว่าทุกอย่างในที่สุดมันก็จะต้อง ไปสู่จุดจบแต่เราไม่กล้าคิดกันหาว่าคิดแบบนี้แล้วเป็นเหมือนสาวแช่งตัวเองเป็นอัปมงคลในความจริงพระพุทธเจ้าบอกนี่แหละปัญญาความรู้ความฉลาดรู้ความจริงไงคนที่รู้ความจริงเนี่ยนคนฉลาดคนที่รู้ความปลอมเนี่ยเป็นคนโง่คนที่คิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย จะไม่แก่เนี่ยเป็นพวกคนโง่คิดแบบนี้คนที่คิดว่ามีอะไรแล้วจะต้องมีไปได้เรื่อยนี้ก็โง่พอมันไม่มีขึ้นมาก็เสียใจทุกใจแต่คนที่ฉลาดนี่เขารู้ว่ามีแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไม่ช้าก็เร็วพอมันหมดเขาก็ไม่เสียใจเพราะเขารู้รู้ล่วงง่ามอยู่แล้วมันต้องหมดก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ หมดก็หมวดไปดีไม่ดีเขาก็เลยถ้ารู้ว่ามันหมดก็ไม่ต้องมีมันดีก ว, าบบกวาบบ่าอยู่แบบไม่มีดีกว่าฮัดอยู่แบบไม่มีจะอยู่แบบไม่มีได้ต้องไม่ทําอะไรต้องอยู่เฉยๆต้องเฉยๆได้ถ้าเราวันวันหนึ่งไม่ต้องทําอะไรได้เราไม่ต้องมีอะไรได้เยอะแยะถ้านั่งเฉยๆเดินเฉยเดินเฉย วันวันหนึ่งกินอย่างเดียวกินมื้อเดียวแล้วถ้าหิวน้าก็ดื่มน้ํเป่าๆเราก็ไม่ต้องมีอะไรมากถ้าไม่มีน้ำไม่มีอาหารก็ถือว่าถือวา่าาถึงเวลาจบของร่างกายก็จบก็จบไปแต่เราไม่ได้จบไปกับร่างกายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเราไปโง่ไปหาต่เอาร่างกายมาแบกเอง ถ้าเราฉลาดเราก็เลิกใช้ร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายอยาไปอาศัยร่างกายพาให้เราไปทำอะไรต่างๆให้มันอยู่เฉยๆจะได้ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเหนื่อยถ้าถ้าเอามันใช้มันไปไหนมาไหนก็ต้องหาเสื้อผ้าสวยๆให้มันใส่หารถงามๆให้มันขับแล้วก็หาเงินให้มันใช้มันก็ได้แต่ของที่ได้มาแล้วก็มามาทุกกับของที่ได้มา ไม่มีประโยชน์ไม่มีความสุขความสุขอยู่ที่การอยู่เฉยๆอยู่อยู่โดยไม่มีความอยากความอยากจะหยุดได้เบื้องต้นก็หยุดด้วยความคิดก่อนพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้แล้วถ้าเราหยุดให้จิตหยุดอย่างเต็มที่ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตานั่งขัดสมาธิแล้วก็ ให้มันคิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวเดี๋ยวพอมันสงบเต็มที่แล้วมันจะมีความสุขมากมันจะอิ่มมันจะรู้สึกพอเหมือนกับมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่การมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่สุขเท่ากับการการความสงบของจิตพอมีเงินร้อยล้านพันล้านมันก็ทุกข์อีกทกขมันต้องห่วงใยต้องคอยดูแลรักษาอีก การมีความสงบนี่เป็นความสุขความอิ่มที่ทำให้เราอยู่เฉยๆได้แตมันก็อยู่ได้ไม่นานนั่งสมาธิเดี๋ยวสักพักมันก็ต้องออกมาจากสมาธิพอจากสมาธิถ้าไม่คุมความคิดไว้เดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นเลยถ้าไม่อยากให้เกิดความอยากก็ต้องคอยหยุดคิดพอมันจะคิดเราก็ต้องหยุดมันหรือถ้ามันจะคิดไปในทางความอยากก็คิดให้มันเห็นว่า ถ้าไปทางนี้แล้วมันจะเจออะไรบ้างมันก็จะเจอแต่ความเสียใจความทุกข์ใจเพราะได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดพอหมดแล้วมันก็จะเสียใจสู้อย่าไปมีดีกว่าสู้อยู่เฉยๆดีกว่าหยุดความอยากดีกว่านี่คือเรื่องของใจวิธีแก้ปัญหาของใจเราต้องมาแก้ที่ความอยาก แล้วปัญหายัางอื่นนี่เราไม่ต้องแก้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาที่ความอยากนี่เราจะต้องไปแก้ปัญหากับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราไปอยากได้พอได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวมันต้องเสียบ้างเดี๋ยวมันต้องหายไปมัง่งเสียก็ต้องเอาไปซ่อมหายก็ต้องไปหามาใหม่แต่ถ้าเราแก้ที่ความอยากได้เราก็ไม่ต้องไปมีอะไร ไม่ต้องไปมีข้าวของเครื่องใช้ไม้ซ้อยอะไรต่างๆมากมายกายกองไม่ต้องมีคนนั่นคนนี้ทำไมอยู่คนเดียวไม่ได้ทำไมต้องมีแฟนด้วยอ่าทำไมต้องต้องมีแฟนด้วยวะทำไมอยู่คนเดียวไม่ได้มันเป็นอะไรเคยถามตัวเองม้ากเป่าทำไมภาคก็อยู่คนคนเดียวก็อยู่คนได้ทำไมเราอยู่คนเดียวไม่ได้ อยู่คนเดียวก็อยู่สองคนไหนสบายกว่ากันอยู่สองคนเดี๋ยวก็ต้องคอยห่วงกันล ะ, ละเดี๋ยวก็ต้องห่วงกันละแล้วเดี๋ยวก็พอเขาเกิดไปคุยกับใครเกิดเป็นอะไรกับใครขึ้นมาก็ทุกข์แล้วสิคิดมากแล้วสิเอเขามีอะไรกันหรือเปล่าใช่หไหมถ้าไม่มีอยู่คนเดียวมันก็ต้องไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วง ไม่ต้องมาคิดมากแต่อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันเหงานอนไม่หลับต้องอยู่สองคนถึงจะนอนหลับปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ความอยากอยากมีความสุขทางร่างกายอยากมีเพศสัมพันธ์ถึงจะมีความสุขถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วมัน ทุกมันเหงานอนไม่หลับพอมีแล้วก็ต้องมาทุกข์กับคนที่เรามีถ้าเจอคนดีก็ดีไปอย่างนี้ถ้าเจอคนดีเขารักเราก็ดูแลเราเอาใจเราแต่เดี้วก็มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเราก็ทุกข์อีกล่ะถ้าเจอคนไม่ดีก็ยิ่งสวยใหญ่กลายเป็นกระสอบซ้ายให้เขาซ้อม มันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะดีแล้วไม่ดีไม่ดีก็เราก็กลายเป็นกระสอบทรายไปถ้าเขาดีเราก็กลายเป็นอแม่น้ํานําทานไปเวลาก็ตายไปก็ร้องหอบร้องไห้น้ําตาไหลเป็นแม่น้ำำนาานํ ำ, มำไม่อยากให้เขาจากเราไปเมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนหละเขาดีก็ทุกไปแบบหนึ่งเขาไม่ดีก็ทุกไปอีกแบบหนึ่ง นี่แหละคือปัญหาหยุดความอยากกันไม่ได้ถ้าหยุดความอยากได้แล้วรับรองได้อยู่คนเดียวมีความสุขกว่ามาหัดนั่งสมาธิกันก่อนจะนั่งสมาธิก็ต้องมีสติก่อนสติก็ต้องอาศัยพุทโธนี่เป็นตัวสร้างพุทโธพุทโธไปมันก็จะหยุดความคิดหยุดความคิดก็แสดงว่ามีสติสติคือผู้หยุดความคิด ถ้าหยุดความคิดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสติต่อไปเราไม่ต้องใช้พุทโธหรอกพอเรามีสติแล้วพอคิดตั๊แล้วก็บอกให้มันหยุดคิดได้แต่ใหม่ๆ่พอมันคิดเราบอกให้มันหยุดคิดมันไม่หยุดคิดเราก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันไปก่อนพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเบื่อพุทโธก็สวดบนไปก็ได้สวดอิติปิโสไปอิติปิโสภะกวาอาลาหังสัมมาสวดไปเรื่อยๆ พอเหนื่อยก็หยุดสวดแล้วดูซิว่ามันมัน้มันจะกล้าคิดหรือเปล่าถ้ามันยังกล้าคิดก็สวดใหม่ถ้ามันไม่คิดเราก็ไม่ต้องสวดมันมีวันที่เราไม่ต้องไม่ต้องสวด ต, ตลอดเวลาใหม่ๆนี่ต้องสวดมากหน่อยต้องต้องพุโทโธมากหน่อยแต่พอใจมันเริ่มหยุดคิดแล้วทีนี้เราก็หยุดสวไดได้หยุดหยุดหยุดบริกรรมพุโทโธได้ไว้รอเวลามันคิดแล้วเราค่อยไปพุโทโธใหม่ แต่ความคิดนี้เราก็ต้องมีบ้างถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดก็คิดไปถ้าเป็นหน้าที่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องการดูเลี้ยงดูร่างกายอย่างนี้ก็ต้องคิดถึงเวลากินอาหารแล้วต้องไปหาอาหารมากินไปหาที่ไหนดีก็คิดไปพอกินอาหารเสร็จก็หยุดคิดได้อาหารมาแล้วก็หยุดคิดกินอาหารไปก็ไม่ต้องไปคิด กินไปกินเข้าไปเคี้ยวปากเกินเข้าไปเสร็จแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามเสร็จแล้วก็มาอยู่เฉยเฉยนั่งเฉยเฉยไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งเฉยเฉยคอยดูความคิดอย่าให้มันคิดถ้าไม่คิดแล้วอยู่นั่งอยู่เฉยเฉยก็มีความสุขไม่ทุกข์ไม่ไม่เบื่อแต่ถ้าปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันจะเบื่อพอมันอยากจะไปนู่นขึ้นมาจากจะไปนี่ขึ้นมามันอยู่ไม่เต็อยู่ไม่เป็นสุขละ พออยากจะไปทําอะไรขึ้นมานี้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยเฉยไม่ได้ถ้ามันอยากวับเราก็ต้องพุทโธพุทโธหยุดความอยากไปพุทโธไปเรื่อยๆจกนกระทั่งลืมลืมไว้ว่าอยากจะไปทําอะไรพอลืมแล้วความอยากก็หายไปแล้วก็จะอยู่เฉยเฉยต่อไปได้นี่คือเรื่องของปัญหาทั้งหมดเกิดจากใจของเราเองใจที่ไม่อยู่เฉยเฉยไม่เป็น ใจที่จะต้องมีนั่นมีนี่จะต้องทำนู่นทนํานี่จะต้องฟังนู่นฟังนี่ดูนั่นดูนี่กินนั่นกินนี่ดื่มนั่นดื่มนี่มันอยากอยู่ตลอดเวลาแล้วนะพอไม่ได้ทำจะทาความอยากทำตามความอยากก็ทุกข์อีกพอทำตามความอยากได้เดี๋ยวก็อยากอีกความอยากไม่มีวันหมด ฉันอยากสูบบุหรี่พอสูบบุหรี่ความอยากสูบบุหรี่ก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็อยากจะสูบขึ้นมาหน่อยแล้วถ้าบุหรี่หมดก็ทุกข์อีกถ้าไม่มีบุหรี่สูบก็หงุดหงิลําคาญใจอกีกต้องไปหาบุหรี่มาสูบอกีกอสูบมากๆเดี๋ยวก็สูบไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวร่างกายก็ไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าอปอดไม่ดีแล้วถ้าสูบไปตายแน่แน่ ก็ยังอดไม่ได้บางคนยอมตายดีกว่ายอมอดเนี่ยเพราะเวลาอดมันทรมานเวลาตายไม่รู้ว่าทรมานหรือเปล่านี่นะก็อย่างมากก็ทรมานตอนตอนใกล้ตายหน่อ ย, ยแต่เวลาไม่ได้เวลาอดนี่มันทรมานทั้งวันทั้งคืนมันมันยาวกว่าเวลาตายนี่มันอาจจะทรมานแป๊บเดียวเชื่อหายใจเฮือกสุดท้าย่นี่ แต่มันก็ไม่หมดความอยากก็ไม่หมดพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ก็มีความอยากอันเดิมตามมาเดี๋ยวพอเจอบุรีก็อยากจะสู่อีกเนี่ยนี่คือปัญหาของความอยากเป็นปัญหาข้ามชาติข้ามภพมันตามเราไปข้ามภพข้ามชาติถ้าเราตายไปแล้วเกิดมาไม่มีความอยากเลยก็น่าหน้าตายจะได้กลับมาจะได้สบายไม่มีอะไร เอเกิดมามันก็อยากเหมือนเดิมเห็นไหมเด็กๆนี่นต้องสอนมันไหมว่ามันอยากอะไรมันขอเองอ่ะขอนูน่นขอนี่ขึ้นมาขอไปนูน่นขอมานี่เด็กทาลกมันยังอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องคางน ون, ามาตรงนู้นคารมาตรงนี้อยู่ตรงนี้มันเบื่อมันก็ต้องคารไปตรงนู้นเพราะความอยากอยู่กับที่ไม่เป็นอยู่ตรงนี้แล้วต้องไปตรงนู้น พออยู่ตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้สลับไปสลับมาอย่างนี้นี่คือปัญหาของพวกเราคือความอยากเราจึงต้องมาฝึกสติกันฝึกสมาธิกันแล้วก็ฝึกปัญญากันถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวถ้าเรามีปัญญาเราก็จะหยุดความอยากได้ถาวรถ้าเรารู้ว่าทํทาตามความอยากแล้วจะเป็นการ ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาอยู่เรื่อยๆการไม่ทำตามความอยากจะทำให้ความอยากหายไปหมดไปแต่ต้องอดทนหน่อยเวลาไม่ทำตามความอยากเพราะเวลาไม่ทำตามความอยากนี่มันจะทรมานใจวิธีที่จะทาให้มันทรมานไม่ทรมานใจก็ต้องทำให้มันนิ่งก็ต้องมีสติมีพุทโธเวลาใจสั่นเพราะความอยากก็พุทโธพุทโธพุทโธไป อยู่ยสักพักใจสงบก็หายสันนี่คือเรื่องของปัญหาปัญหาอยู่ที่ใจเกิดเกิดจากความอยากเกิดจากความหลงไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนความหลงก็คิดว่าปัญหาอยู่ที่ไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้กันก็เลยต้องไปหากันใช่ไหมอันนี่ก็คือความหลงตัวความอยากปันหลอก หลังว่าปัญหาคือไม่มีสิ่งนั้นความจริงแล้วความอยากมันอยากได้สิ่งนั้นมันก็เลยบอกว่าเนี่ยปัญหาของเราอยู่ตรงที่เราไม่มีสิ่งนั้นเราเลยต้องไปเอามีสิ่งนั้นคนที่เป็นโสดก็ปัญหาก็บอกบีบเพราะเป็นเพราะไม่มีแฟนต้องไปหาแฟนพอได้แฟนแล้วปัญหาจะหายไปปัญหาอยากได้แฟนมันหายไปแต่ปัญหาใหม่มันตามมาปัญหาติดแฟนมันตามมา ปัญหาทะเลาะกับแฟนทำตามมามันมีปัญหาใหม่ตามมายอยู่เรื่อยๆได้อะไรมามันก็จะต้องได้ปัญหาตามมาการวิธีที่จะตัดปัญหาก็จะต้องอย่าให้มีอะไรเลยพระพุทธเจ้าบอกอยู่กับความว่างได้เนี่ยดีที่สุดความว่างนี่แหละเป็นความสุขเพราะไม่มีปัญหาถ้าอยู่กับความว่างได้อยู่กับความอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวด้ได้ได วิธีจะอยู่ได้ก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากมีนั่นมีนี่พอไม่มีแล้วมันรู้สึกว่าเรานี่อาภัพวาสนาต้องมีนูน่นมีนี่แล้วเราถึงจะมีความสุขน้อยเนื้อต่ำใจจิตความอยากมันจะคอยหลอกให้เราไปหาอะไรมาอยู่เรื่อยอถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราจะได้รู้ว่าการไม่มีอะไรเนี้ดีที่สุดอยู่แบบไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายก็อย่าไปมีมันถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้วก็อย่าไปมีใหม่ถ้ามีก็อย่าไปใช้มันถ้ายัางใช้มันอยู่มันก็ยังต้องมีร่างกายอันใหม่ถ้าร่างกายนี้ตายไปจะไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่ได้ <Maybe. S 2> ก็ต้องไม่ใช้ร่างกายอันนี้ไม่ใช้ให้มันไป หาความสุขต่างๆมาให้กับเราให้เรามาใช้สติใช้ปัญญาหาความสุขกันดีกว่ามาทำใจให้สงบมาทำใจให้หยุดความอยากแล้วความสุขนี้จะเกิดขึ้นมาในใจที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆทั้งปวงอ่านี่เกิดเรื่องของใจเรื่องของปัญหาของเราปัญหาที่แท้จริงเริ่มต้นที่ใจเริ่มต้นที่ความอยาก ลมันก็แผ่ขยายไปหาควาไปหาปัญญาไปหาปัญหามาเพิ่มเป็น เ, เป็นทวีคูณได้อะไรมาก็ได้เป็นหนึ่งปัญหาได้อั น, นี้มาก็ต้องไปหานั้นมาแก้ปัญหาไอ้นี่ได้ร่างกายก็ต้องไปหาอาหารมาแก้ปัญหาของร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องไปหาอาหารมาแก้ไม่ต้องไปหาเสื้อผ้ามาใส่ไม่ต้องไปหายารักษาโรคมารักษา แต่พอมีร่างกายแล้วมันก็ต้องไปหาหาอย่างอื่นมาหาอาหารหาบ้านหาบ้านหาอาหารก็มีปัญหาอีกหาอาหารก็ต้องหาที่เก็บอาหารอีกต้องมีตู้เก็บกับข้าวอีก <c oughs> มีตู้เย็นอีกมีอะไรปัญหาแต่ละปัญหาแล้วก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการมีมีเพิ่มขึ้นยิ่งมีอะไรเพิ่มขึ้นก็ยิ่งเพิ่มปัญหาขึ้นมามีตู้เย็นเดี๋ยวตู้เย็นก็เสียอีกเดี๋ยวก็ต้องไปหาช่างมาซ่อมอีก ถ้ามันมีแต่ปัญหาตามตามมาเป็นเป็นพวงเลยก็เนียวิธีแก้ปัญหาจะต้องตัดไม่ใช่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มในสิ่งที่เรามีกันต้องตัดให้สิ่งที่เรามีให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าตัดด้วยการออกจากวังไปใช่ตัดไปเยอะเลยเนี่ยพอไม่อยู่ในวังปัญหาต่างๆในวังก็หมดไปทีนี้ก็เหลือแต่ปัญหาของร่างกายปัญหาของร่างกายก็เอาแบบง่ายๆ เอาเสื้อผ้าแบบขัดขาดหาง่ายๆ่ายเสื้อที่ผ้าที่เ็าทิ้งในป่าชา้าไม่ต้องไปหาเงินหาทองไปซื้อมันมาไปเก็บของเก่าที่เขาไม่เขาไม่ใช้แล้วมามารวบรวมไว้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยพอมีจำนวนพอแล้วก็มาปะมาเย็บมาติดมาต่อมันขึ้นมาเป็นผ้าห่มขึ้นมาท่านให้ใช้ปัจจัยสี่แบบที่ให้มันมีปัญหาให้น้อยที่สุด อาหารก็ไปขอเขากินตามมีตามเกิดกินเสร็จก็จบไม่มีปัญหาถ้าหากินเองเดี๋ยวต้องปรุงแต่งแล้วจะกินไอ้นู่นกินไอ้นี่เดี๋ยวก็ต้องไปซื้อกับข้าวกับข้าวซื้อไปหาร้านอาหารก็ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้ อ, อพอไปหาเงินก็มีปัญหา ก, กับการหาเงินอีกไม่แต่เรื่อง วิธีพกพระเจ้าวิธีที่จะตัดปัญหาก็คือให้มันมีน้อยที่สุดผ้าเสื้อผ้าก็จีวรให้มีชุดเดียวก็พอสามผืนหนึ่งหนึ่งสำรับพอแล้วพออยู่ได้อาหารก็เอาวันละมือ้อแล้วก็ไม่ต้องใช้ชามใช้ถ้วยใช้ช้อนใช้บาตรไ้เนี้ยบาตรที่ใบบินจะบาตมาเสร็จก็กินมาในบาทนั่นเลยกินเสร็จก็ล้างแป๊บเดียวก็เสร็จ ไม่ต้องมีตู้เก็บกับข้าวไม่ต้องมีอะไรอาหารเหลือก็แจกไปฉละไปถ้ามีคนยากจนก็ให้เขาไปไม่มีก็ให้หมาให้แมวไปไม่ต้องสะสมไม่ต้องเก็บเันไวเก็บไปนั้นก็มีปัญหาต้องหาที่เก็บ อ, อีกเนี่ยนี่วิธีแก้ปัญหาก็คือต้องลดปริมาณสิ่งของที่เรามี นดปริมาณของทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองที่เรามีอยู่เพราะมีอะไรแล้วมันจะมีปัญหาบานปลายตามมามีปัญหามีอันนี้ก็ต้องมีปัญหาดูแลรักษามันก็ต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาดูแลรักษามันแล้วก็ต้องมาดูแลรักษาสิ่งที่มาดูแลรักษามันอีกมันก็ยาวเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพวงไปเลยแต่พอไม่มีปั๊บมันก็ตัดตัดปัญหาต่างๆที่ตามมาของภานี ท่านให้มีแค่สมบัติแค่แปดชิ้นก็พอแล้บาดใบหนึ่งก็ไว้สําหรับดูแลเรื่องอาหารได้แล้วผ้าผ้าผ้าสามผืนก็พอแล้วสาหรับเครื่องนึง่งห่มแล้วก็ให้มีเข็มกลับได้ไว้เผื่อมันขาดมันมีเข็มขัดไว้รัดเอวเพราะผ้าสมัยผ้าสมัยก่อนนั้นไม่มีซิปไม่มีอะไรไม่มีกระดุมก็ต้องใช้ผ้ารัดเอวที่รัดเอวเข็มขดัดน สมบัติของพระก็มีแค่นี้ที่กรองน้ํำไว้สําหรับตักน้ําในบึงในบ่อตักโดยที่จะได้ไม่มีตัวตัวตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วยนที่กรองน้ําแล้วก็ใบที่โกนมีโกนอันหนึ่งไว้สําหรับปองผมปองหนวดให้ดูแล้วไม่เป็นยักษ์เป็นมารเป็นโจรให้คอยโกนหัวไว้โกนโก อ, อหนวดว่าจะได้ดูเรียบร้อยคนจะได้ไม่กลัวะ ถ้าเกิดไม่มีมีดโกนเนี่เดี๋ยวก็ผมยาวเหยียดหนวดของเขา้าลุงลังถือบาดไปด้บ้านในคนโยมว <c oughs> ิ่งหนีกันออนี่แหละวิธีแก้ปัญหาก็ให้มีน้อยที่สุดแล้วสิ่งที่มีก็ไม่มีปัญหามากนะหาหาทดแทนได้ง่ายเช่นผ้านี้ถ้าขาดก็ไปหาสมัยก่อนนี่เขาก็ไปหาผ้าในป่าชา้าผ้าหอนะ่อศพเนี่ยเพราะสมัยก่อนเขาไม่เผาศพกันนะ เขาคนตายเขากาผ้าห่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าให้มันผุมันเปื่อยไปพอมันศพมันแห้งแล้วก็ผ้าก็ก็เวลาใช้ผ้าก็ไปไปแกะออกจากศพได้แล้วก็เอามาซักมาต้มต้มน้ําแล้วก็มาซักมาย้อมใช้แก่นไม้ต้มต้มแก่นไม้มันก็จะมีสีเหลืองๆ อ, ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าผ้าสีกาวสาวพัทเนี่ย ก็เป็นผ้าสีที่ทำมาจากแก่นไม้แก่นไม้ที่เราต้มในน้ำเวลาเราซักเอาผ้านี้ไปซักซักแบบนี้มันก็จะมีสีเหลืองติดมากับผ้า <c oughs> พยายามมีน้อยๆจะมีน้อยๆได้ก็ต้องต้องมีสติควบคุมความอยากให้ได้ต้องทำใจให้สงบให้ได้ พวกที่กขบวชกันนี่สมัยก่อนนี่เขาเขามีสมาธิกันทั้งนั้นนักบวชเขาถึงอยู่กันได้อยู่แบบไม่มีอะไรได้แต่สมัยนี้พระเราถึงแม้จะบวชแต่ก็ไม่มีสมาธิกันก็เลยต้องมีอะไรเหมือนกับโยมโยมมี p h o n e ท่านก็มี iPhone โ ย, <laughs> โยมมีรถท่านก็มีรถมีคล้ายๆกับโยมอะ ตางกันตรงที่ท่านโกนหัวโยไม่โกนหัวทนะ่านนึงแต่นี่อาหารท่านก็ไม่บินตบ่ายกันท่านสั่งกันหรือแม่ก็ไปกินนิมนต์กันนญาติโยมเองก็เอาเอากับข้องกับข้าวมาถึงที่วัดเลยมาถวายที่วัดมีอาหารมีหลายหลายหลากหลายชนิดไม่ต้องบินตบ่ายกันญาติโยมก็หลงผิดคิดว่าเลี้ยงพระแล้วจะได้บุญโยมมาได้บุญนะแต่พระจะได้บาปนะ พระจะไม่ได้เป็นพระเป็นพระต้องดูสมัยพระพุทธกาลนพระสมัยพุทธกาลท่านอยู่อย่างนั้นท่างไม่มีกุติไม่มีอะไรท่านอยู่ตาางคนไม้อยู่ในป่าอาจจะทำเพิงหลบแดดหนบฝนไว้หน่อยชั่วคราวทำจากไม้นี่แหละทำจากใบไม้แต่ในป่าในเขานี่มันดีมันสงบไม่มีใครมารบกวนเป็นที่ที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ง่าย ถ้าไปอยู่ในบ้านในเมืองนี้เห็นมองไปรอบตัวมีแต่ของ ล, อลอ่อตาล่อใจอยากได้นู่นอยากได้นี่ใช่ไหมอันนี่คือเรื่องของวิธีที่จะหยุดความอยากต้องดูพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเป็นตัวอย่างท่านอยู่แบบนั้นจริงๆท่านอยู่แบบไม่มีอะไรสมัยนี้ก็พระป่าอย่างครูบาอาจารย์เนี่ย หลวงปูอ่อ่านประวัติหลวงปู่มั่นอยูเลยท่านไปอยู่กับชาวป่าชาวเขาเนี่ยท่านไม่มีอะไรไม่มีกุฏิไม่มีอะไรอาจจะมีแค่ชาวป่าชาวเขาก็ทําให้สําหรับได้นั่งได้นอนแล้วท่านก็มีมุง้งมีกรดกรดก็คือก็ร่มใหญ่ๆนี่เรียกว่ากรดนะก็กลางออกมาก็เป็นเหมือนหลังคาบ้านไปแล้วก็มุ้งก็เป็นเหมือนฝาบ้านมุงครอบกรดอีกทีนึง ก็นั่งสมาธิในนั้นได้นอนในนั้นได้สบายห้องน้ำห้องทาก็ใช้แบบพว ก, กวพวกเก้งพวกวกวางก็ใช้กันเก้งกวางเขาก็ไม่ต้องมีห้องน้ำเราทำไมต้องไปมีห้องน้ำกับเขาด้วยใช่ไหม อ, อยู่คนเดียวมันไม่ปปัญหาหรอก อ, อยู่ในป่านี่แหละคือวิธีแก้ปัญหา ต้องให้มีให้น้อยที่สุดมักน้อยพุทธเจ้าบอกมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปอยากได้นู่นอยากได้นี่อย่าอยากมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ยินดีตามมีตามเกิดไม่มีก็แล้วไปอย่างมากก็แค่ตายตายก็ดีเพราะไม่ต้องการจะมีร่างกายอยู่แล้วไม่ต้องการจะใช้ร่างกายอยู่แล้ว คนที่มีสมาธิมีปัญญาแล้วไม่มีสติแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายเนี่ยพระพุทธเจ uh um ้าเวลาตายแล้วถ mm ้าไม่มาหาร่างกายอันใหม่แล้วไม่มีร่างกายอันใหม่พระสาวกก็ไม่มีร่างกายอันใหม่แต่พวกเรานี่ตายไปก็เดี๋ยวก็มีร่างกายใหม่ที่มีร่างกายนี้ก็เพราะชาติก่อนร่างกายชาติก่อนมันตายไปเพอร่างกายชาติก่อนตายไปวิญญาณออกจากร่างก็มาหาร่างใหม่ต่อแล้วก็มา มาแบกภาระมาแบกปัญหาใหม่ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาแบกร่างกายอันใหม่มาแก้ปัญหาของร่างกายอันใหม่โดยการไปหาของมาแก้แล้วก็มาแก้ของที่มาแก้ปัญหาร่างกายมันเป็นทอดๆไปไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันจบ ชีวิตก็จะมีแต่ปัญหาวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันที่จะหมดไปได้การที่จะหมดไปได้ต้องหยุดต้องไม่มีอะไรต้องอยู่กับความว่างให้ได้ถ้าไม่มีร่างกายก็จบไม่ต้องมีปัญหาอย่างที่เรามีกันนี้แต่จะไม่มีร่างกายได้ก็ต้องหยุดความอยากใช้ร่างกายให้ได้หยุดใช้ตาหูจมูกลิ้นกายให้ได้หยุดไปไหนมาไหนให้ได้ถ้าจะไปก็ไม่ได้ไปเพราะความอยากไป ไเพราะมีคนมาดึงไปมาลากไปมาเชิญไปก็ไป อ, อย่าไปด้วยความอยากของตัวเองถ้าไปแล้วมันจะไม่หมดมันจะอยากไปเรื่อยๆแต่ถ้าถ้าไปเพราะเข้ามาลากไปก็ก็ไปฮะพอก็ไม่ลากก็ไม่ได้ไปละนี่คือปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเราที่ออกไปกว้างหาปัญหาต่างๆเข้ามาด้วยความหลง เพราะคิดว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาใจเขาคิดว่าคิดว่าวิธีแก้ปัญหาของความไม่สบายใจความเหงาความอะไรก็คือให้ไปมีอะไรมาพอมีแล้วจะหายเหงาใช่มันหายเหงาเดียวเดียวแล้วมันจะมีอย่างอื่นแทนม า, มาแทนที่ปัญหามาปัญหาใหม่จะมาแทนที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะยังพยายามมาหยุดความอยากดีกว่าด้วยการฝึกสติพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ฝึกให้มากหาเวลาสักวันหนึ่งลองมาทําทั้งวันทั้งคืนอยู่ไม่ต้องทําอะไรนะเช้าตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธพุโทโธแล้วก็ทําหน้าที่จําเป็นอาบน้ําอาบท่าข้องน้ำํำกินอาหารเสร็จแล้วก็มาพุโทโธพุโทโธมานั่งเฉยๆนั่งเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินให้มันหายเมื่อเดินก็พุโทโธพุโทโธนั่งก็พุโทโธพุโทโธถ้าทำอย่างเงี้เดี๋ยวจิตมันก็รวมได้ เกตรวมน่าจะมีความสุขแล้วความอยากจะหายไปชั่วคราวแล้วต่อไปนั้นก็จะมีกําลังสู้กับความอยากได้แล้วต่อไปไม่ต้องมีอะไรเอาละนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด เนต้องให้พออยูวะเนี่ยะถาวาเลกวาฮาปุราปาริปุเรนติสาการัลเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกาปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันาระโสยะถามณิโชติ อระโสยะถาสัพพิตโยวิวัจฉานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอธิวาธนสีลิษะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลั อันนี้ได้พรสองชั้นเลยนะเมื่อก่อนที่เรียนหนังสือคิดว่าเรียนจบแล้วจะสบายพอจบแล้วก็ต้องมาทุกกับการหางานอีกเดี๋ยวพอได้งานก็ต้องทุกกับการทำงานอีกมันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนะ่ะแก้ปัญหาหนึ่งก็เพอไปไปเจออีกปัญหาหนึ่งเป็นเปาะเปาะไปเป็นลูกโซ่ไปในโลกนี้มันมีแต่ปัญหาทนะั้งนั้นวิธีไม่มีปัญหาก็เียมาบวชนะ วิธีตัดปัญหาต่างๆก็มาบวชันะมามีมาอยู่แบบน้อยๆมีน้อยๆไม่ต้องมีอะไรมีมากก็ปัญหามากมีน้อยปัญหาก็น้อยไม่มีก็ไม่มีปัญหาเลยพระอาจารย์ยังบอกนิพพานบาลังสุญญ์ยังไม่มีปัญหาเลยคือนิพพานไม่มีอะไรว่างแล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่งนิบานังบามังสุขัง ยิ่งไม่มียิ่งมีความสุขยิ่งมียิ่งทุกข์อะไรความหลงมันจะหลอกให้เราเชื่อว่ายิ่งมีมากยิ่งมีความสุขมากวางไว้เลยวิปัสนามีคำถามอะไรไหมไม่มีนะมีแลาวถามเลยกรรมาถามกับวิปัสนาต่างกันยังไงครับเราให้ต่างกันยังไครับอ๋อมันเราต้องเข้าใจคำชื่อของมันก่อนคำว่าวิปัสสนานี้เป็นการ รู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาการปฏิบัติเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงนี่แหละวิวิปัสสนาภาวนาเห็นจริงไงเห็นไก่เป็นไก่เห็นเป็ดเป็นเป็ดตอนนี้เราเห็นกับตาละปัดเราเห็นเป็ดเป็นไก่เห็นไก่เป็นเป็ดกันเห็นทุกข์เป็นสุขกันตอนนี้เชื่อไหมเราเห็นทุกข์เป็นสุขกันเนี่ยเห็นราบยศตาละเสรว่าเป็นสุขแต่เมื่อจาเห็นว่ามันเป็นทุกข์ความจริงมันเป็นทุกข์ วิปัสสนาก็คือมาสอนใจให้เห็นความจริงว่าทุกเป็นทุกทุกเพราะมันทุกเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วมันดับได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องจากเราไปเวลาได้มันสุขได้ยศมันสุขแต่เวลาถูกปลดนี่มันทุกเห็นว่ามันต้องมีวันจบได้รายมาแล้วมันจะต้องมีวันหมดแต่เราไม่เห็นวันหมดกันแเราเห็นแต่วันได้เราก็จะหลงไปคิดว่ามันเป็นสุขกัน เราต้องมาวิปัสสนากันมาสอนใจใหม่มาสอนให้มันเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับไม่ใช่ของเราเราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้นี่ก็เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนี่คืออารมณ์ที่เราใช้ฝึกจิตให้เกิดวิปัสสนาฝึกจิตให้เกิดความสงบกรรมฐานนี่มีสองแบบกรรมฐานเพื่อทำจิตให้สงบกับกรรมฐานเพื่อทาใจให ให้เป็นวิปัสนาให้รู้แจ้งเห็นจริงกรรมฐานบางอย่างนี้เช่นดูความตายเนี่ยเป็นความจริงเรามักจะมองไม่เห็นความตายกันเรามองเราจะเห็นแต่ความเห็นเห็นแต่ความเป็นทั้งนั้นใช่ไหมเพราะเราเห็นแต่คนเป็นทั้งนั้นเราไม่เคยเห็นคนตายกันเราก็เลยไม่คิดว่ามีคนตายกันพอมีคนตายผล่ขึ้นมากลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งแต่ความจริงคนเป็นทุกคนเนี่มันเป็นคนตายทั้งนั้นอะ แต่มันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะตายท่หนั่นเองเนี่ยเราต้องมาเห็นว่าคนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคนตายไม่ใช่คนเป็นเนี่ยเราก็ใช้ก็ใช้กรรมฐานคือการการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยเรยเนี่ยนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งมรณานุสติเนี่ยเป็นเป็นกรรมฐานมีอยู่สี่สิบชนิดที่จะมาสอนใจที่ให้ฉลาดไม่ให้งอหรือทสอนใจให้สงบไม่ให้คิดไม่ให้ปุงแต่ เป็นอาณาปณะสติก็คือการดูลมหายใจเข้าออกดูลมนี่ก็เพื่อให้ใจเราหยุดคิดถ้าเราคอยเฝ้าดูลมเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไม่คิดเดี๋ยวใจก็สงบสงบแล้วก็มีความสุขนี่คือกรรมฐานสี่สิบชนิดด้วยกันบางชนิดก็เป็นสาหรับความสงบบางชนิดก็เป็นให้เกิดวิปัสสนาให้รู้แจ้งเห็นจริงเช่ไหม ดูอาการ32ของร่างกายนี้ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งที่เรามองไม่เห็นกันเนียเราก็เห็นตับไตไส้ทุ่งเราไนหะยใครคิดถึงมันบ้างไหมมันอยู่ติดกับเราเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดถึงมันเลยไปคิดถึงของไกลตัวนะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แต่ไม่เคยเห็นร่างกายอาการ32ของเราเลยก็วิปัสสนาเนี่ยเพื่อจะได้เราจะได้เห็นร่างกายที่แท้จริงว่ามันเป็นอะไรกันนะ ร่างกายที่แจ้งเราก็คืออาการสาสสองนี่แหละมีผมขนเล็บฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกโครงกระดูกเคยเห็นมั้งน่าจะเกิดมาเคยนึกถึงมันบ้างไหมอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดมองเห็นมันมองหน้ามันทุกวันแต่มองไม่เห็นมันเห็นแต่หนังที่คุมกระโหลกศีรษะเห็นหนังเนื้อที่มันคุมโครงกระดูกไว้เราเลยต้องใช้วิปัสสนามาสอนใจให้เห็นทะลุเข้าไปด้วยการนึกถึงบ่อยๆ ด้วยการไปดูภาพตัวอย่างภาพที่เขาเขียนภาพที่เขาศึกษาจากซากศพอะไรเนี่ยเขาก็มาเขียนกันให้นักศึกษาแพทย์ได้รู้ว่าร่างกายนี้มีอาการอะไรต่างๆมีปอดมีหัวใจมีตับมีไ ต, ม, ตมีลำไส้มีอะไรต่างๆนี่ก็วิปัสสนากรรมเป็นกรรมฐานที่เรียกว่าทําให้เกิดวิปัสสนาขึ้นมากรรมฐานนี้ทําให้เกิดวิปัสสนาหรือกเกิดสมถะสมรมถะก็คือความสงบ วิปัสสนาก็เกิดเกิดความรู้ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงหรือว่าร่างกายนี้ไม่ใช่มีแค่หน้าตานี่เท่านั้นมีอะไรเยอะแยะมีต้องสารสิบสองอาการกระจายอยังโอเคเดีย๋ยวเล็กินาทีอันนี้เข้ามาท่าไหลายทางเฟซบุ๊กอันนี้เฟซบุ๊กสูงสุดสามร้อเจดสิบห้าค่ะาทางยูทูบแปสิบ มีคำถามไหมเข้ามาเลยคำถามจากคุณต้นย่าค่ะจะทำอย่างไรเราถึงจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนมุ่งมั่นจริงจังตั้งใจในการปฏิบัติทํรได้คะเราก็ต้องเราก็ต้องมีการหมายกำหนดการไงเวลาเ็าจะจัดพิธีทำอะไรนี่เขาต้องมีหมายกำหนดการเวลาแปดนอชักธงชาติเวลาแปดนาห้ า, านาทีประธานจุดธูปเทียน เราก็ต้องเขียนตารางหมายกําหนดการของชีวิตเราประจาวนันตื่นกี่โมงอตื่นตีห้าตื่นขึ้นมาทําอะไรนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ต้องต้องเขียนตารางไว้แล้วเราต้องทําตามตารางที่เราเขียนแต่ถ้าเขียนแล้วไม่ทําตามตารางก็อย่าไปเขียนให้มันเสียเวลานี่คือเี้ล่นไปเป็นดาหารนี้ไปเป็นเด็กอยู่โรงเรียนกินนอนอย่างนี้ย พอถึงเวลาเขาก็ปลุกให้ตื่นปลุกให้ทํานู่นทํานี่กันถึงเวลาแล้วเนื้อมาบวชเป็นพระเนี่ยก็มีเวลาพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ลงตีสีก็ตีะระฆังเรียกแล้วไปเจอกันที่โบสถ์นะบางวัดเขาไม่มีก็ต้องทําเอาเองวัดป่าเก็ยังไม่มีเรียกประชุมกันอันนี้สําหรับคนที่มีวินัยแล้วเขาก็ไปอยู่วัดป่าคนที่ยังไม่มีวินยัยก็ต้องไปฝึกไปอยู่ปฏิบัติต่างที่เขามีกฎระเบียบบังคับก่อน เดี๋ยเดี๋ยวลองทำดูเดี๋ยวตีสี่เขาตีะระฆังมาอยู่วัดเดี๋ยวก็จะตีะระฆังตีสี่ถึงว่าได้ยินเสียงะระฆังต้องลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตารีบเข้าโบสถ์ไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ค่ะข้อที่สองค่ะลูกมักมีอิลูกมักมีนิสัยอิจฉานิสยาและขี้น้อยใจมีทิธิมานะสูงมากทําอย่างไรจะแก้นิสัยนี้ได้คะก็ะทําตัวให้เป็นแจ๋วสมมุติว่า คิดว่าเราเป็นคนรับใช้อย่ายไปคิดว่าเราเป็นเจ้านายต้องเปลี่ยนบทบาทของเราเราเป็นคนคิดบทบาทของเราขึ้นมาเองเราก็เปลี่ยนบทบาทได้พรจจะพุทธเจ้าบอกให้หัดทําตัวเราเป็นเหมือนปัตภีให้คิดว่าเราเป็นดินใครจะเหยียบก็ได้ไม่โกรธดินไม่โกรธใครจะเหยียบใครจะขี่รถใครจะเยี่ยวใส่ดินไม่โกรธดินนี่ยินดีรับทุกอย่างได้หมดหัดทําตัวเป็นดิน ใครจะด่าใครจะดูถูกดูแคลนใครจะใช้ใครจะเรียกว่าเป็นนู่นเป็นนี่ก็ยินดีเสมอตัางหากเปลี่ยนบทบาทของเราเราไปคิดว่าเราเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาขึ้นมามันก็เลยละบากเพราอคนก็ไม่เห็นตามที่เราคิดเราก็เสียใจมันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองเราคิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาหรือไม่ฉะนั้นเขาก็หลอกตั้งเราว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาความจริงเราก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอก มันเป็นบทบาทที่ก็หลอกก็ตั้งกันขึ้นมาท่านนี้คำถามจากคุณมานิกาขอคาแนะนำความคิดจิตและใจอยู่กับมะเร็งลำไส้ระยะที่สี่อยู่อย่างไรให้ทุกน้อยที่สุดเจ้าคะก็มีสองวิธีเนี่ยวิธีแรกก็ให้อย่าไปคิดถึงมันพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องร่างกายวิธีที่สองถ้าคิดถึงเรื่องร่างกายก็คิดว่ามันต้องตาย เก่ดมาแล้วต้องตายมันเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราเป็นเพียงผู้ที่มาใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้กับเราเราเป็นนายร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้ตอนนี้คนรับใช้เขาหมดเขาหมดสภาพแล้วเขาจะต้องลาออกจากงานแล้วก็ปล่อยเขาไปนั่นเองแล้วเดี๋ยวถ้าอยากมีคนใช้ใหม่ก็เดี๋ยวก็ไปหาคนใช้ใหม่ได้คนใช้ใหม่ถ้าฉลาดก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวได้คนใช้ใหม่ก็เจอแบบเดิมอีก เดี๋ยวตายใบกรรมมาเกิดใหม่เดี๋ยวก็จะความตายใหม่อีกถ้าไม่อยากจะตายซ้ำซาก mm. ก็เลิกใช้ร่างกายหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆคาถามจากคุณนันทิดาตอนนี้มีสามีที่นํายมเข้าสู่ทางธรรมค่ะทําให้บางทีคิดว่าไม่มีลูกดีกว่าไหมคะแต่จริงหรือไม่ที่แฟนกล่าวว่าเราอาจไปปิดกั้นคนที่เขาอยากเกิดมาบรรลุธรรม หรือพ่อแม่อย่างเราอาจนาพาไปเขาบรรลุธรรมได้ค่ะอ๋อไม่ไม่ปิดไม่ปิดกั้นหรอกเราไม่ใช่มีประตูเดียวที่ไหนมีเป็นแสนเป็นล้านประตูมีคนที่เขาจะมีลูกกันเป็นแสนเป็นล้านคนไม่มีเราเขาก็ไปเกิดที่อื่นได้นั้นไม่ต้องกลัวเรื่องปิดกั้น่ะคำถามจากคุณอา ร, รยาสนใจอยากปฏิบัติศีลแต่เริ่มจากทุกวันพระแต่ติดปัญหาที่ศีลข้อเจ็ เพราะทงานเกี่ยวกับของสวยๆงามๆค่ะนอกนั้นคิดว่าทําได้ค่ะเราจะทํำยังไงดีคะถ้ามันต้องทําตามหน้าที่ก็ไม่เป็นไรอย่าทําตามความอยากก็แล้วกันคิดว่าเป็นเป็นหน้าที่เหมือนกับคนที่เขาแสดงหนังเขาก็ต้องแต่งหน้าทาปากแต่ก็ไม่ได้แต่งหน้าทาปากเพราใจรักใจชอบใจอยากแค่แต่งแต่มันเป็นหน้าที่เป็นอาชีพถ้าทําโดยหน้าที่ไม่เป็นไรอย่าไปทําด้วยความอยากบางคนไม่มีหน้าที่แต่อยากอยากแต่งอย่างนี้ อนนี้เป็นความอยากเพราะไม่ได้แต่งแล้วรู้สึกเหงารู้สึกไม่สบายใจไม่มีความมั่นใจเพราะได้แต่งแล้วรู้สึกมีความมั่นใจถ้าแบบนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้าแต่งเพราะเหมือนไปเล่นละครนี้เขาบอกว่าต้องเล่นบทนี้ต้องแต่งหน้าอย่างนี้ก็ทําไปเราขายของเรื่องของของความสวยความงามก็ต้องแต่งหน้าทาปากเป็นเซ็นเตอร์ของสินค้าก็ทําไปถ้าเราทําเพราะมันเป็นหน้าที่ไม่เป็นไร แต่ถ้าดีไม่ทำเลยได้ก็ดีเปลี่ยนงานได้ก็ดีไปไปปวดชีได้ก็ดีจะได้ <c oughs> จะได้รู้ว่าไม่ถูกกิเลสหลอกบางทีกิเลสมันก็ จ, จะออกหลอกเรื่องหน้าที่บางทีมันก็ยังอยากแต่งอยู่อ้าว่าไปคำถามจากคุณโยง <c oughs> ที่ท่านบอกว่าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปอย่าไปหาร่างใหม่อย่ามีร่างกายหมายความว่าการที่ไปาภานิพัน์ เราจะไม่มีร่างกายแล้วอยู่กับความว่างไม่มีตัวตนมีแต่จิตใจเท่านั้นไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่คะอ่านี่ย น, นะมีแต่จิตใจที่ไม่มีความอยากถ้ามีความอยากก็ยังต้องไปมีร่างกายอยู่เดี๋ยวเ อ, เอาข้อสุดท้ายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะอันนี้ต้องขอยวบลัดหน่อยทางภาคภาษาไทยเดี๋ยวจะมีภาคภาษาอังกฤษต่อคําถามจากคุณเพนพันุ์ถ้าถวายผ้าห่มเพื่อรักษาสังขารของพระจะได้หรือไม่คะ ได้พระอผมก็อนุญาตให้ถวายได้ยังไงสบายดีนะไดคิดว่ า, าป่วยไข้แอบพยายามทำใจนะทำใจให้สงบไม่มีอะไรเนี่ยดีละถ้าไม่มีอะไรได้ดีอยู่กับความว่างได้ดีทมีอะไรมันก็ต้องทุกกันสิ่งที่มีทั้งนั้น yeah